บุคคลหาได้ยากเกิดขึ้นได้ยากเพราะการที่ทั้งสองฝ่ายจะปฏิบัติหน้าที่ต่อกันให้สมบูรณ์ครบถ้วนควบคู่กันไปนั้นเป็นไปได้ยากมากกล่าวคือฝ่ายหนึ่งทำแต่อีกฝ่ายไม่ทำหรือทำด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่ยิ่งหย่อนกว่ากันมีสองประเภทคือหนึ่งบุพการี บุคคลผู้ทำอุปการะก่อนเช่นบิดามารดาให้การเลี้ยงดูบุตรธิดาเป็นต้น 2. กตัญญูกะตะเวทีบุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วและตอบแทนเช่นบุตรธิดาตอบแทนคุณมารดาบิดาด้วยการเลี้ยงดูช่วยท่านทำการงานเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านเป็นต้น